พอดีผมเคยฟังพระอาจารย์เทศเกี่ยวกับขั้นของการาให้ทานรักษาศีลแล้วก็ฝึกสมาธิใช้ปัญญาอย่างนี้นครับแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์คราวนี้ผมเองไมเคยเได้ยินอาจารย์เทศเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ผมมีเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติเยอะเราคิดว่าอาจจะมีประโยชน์ถ้าอาจารย์จะกรณ า, าเทศเ ทานศีลภาวนาแบบสรุปให้ให้พอได้ไอเดียอย่างนี้ได้ไหมครับนี่คับผู้สรุปไปเมื่อกี้นี่นะ oh. ทานศีลาอนนะ oh. ทานก็ให้ทำความดีให้ช่วยเหลือผู้อื่นให้แบ่งปันกันมีข้าวมีของมีอะไรในวันเกิดเขาก็ให้ของขวัญเขาถ้าใครเดือดร้อนช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือก็ไป ใครมีความสุขความเจเริญก็แสดงความยินดีไปกับเขานี่คือการกระทำความดีสีงก็คือการไม่ทำบาปเมื่อกี้ก็บอกเก้สีห้าข้อบอกไปแล้วแล้วภาวนาก็ก็ให้ m e d i t ทต์ก็คือภาวนาถ้าต้องการที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายไม่ต้องการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็ให้ภาวนา ทำใจให้สงบแล้วก็ทำใจให้ฉลาดให้เห็นว่าเรากำลังเดินหลงทางเรากำลังเดินเข้าหาความทุกข์กันทุกเพราะความอยากของเราเองไม่ใช่ทุกเพราะอะไรและทุกเพราะสิ่งที่เราอยากมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้เร า, อาพอเราได้มาแล้วเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆแต่ไม่มีอะไรมันอยู่ไปนานๆทุกอย่างมันจะต้องมีวันจบ พอมันจบมันก็ทำให้เราเสียใจทำให้เราทุกข์เช่นเวลาแฟนจากเราไปเราจากแฟนไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะพบความทุกข์แล้วก็ไม่พบไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีอะไรมาทำให้เราทุกข์ทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้ อยู่ตัวเปล่าๆไม่ได้อยู่กับความว่างไม่ได้เราต้องอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมีเสียงมีสีมีรูปมีกลิ่นมาให้เราคอยสัมผัสอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวก็จะไม่มีอะไรจะให้เราทุกข์สิ่งที่เราทุกข์ก็คือสิ่งที่เรา หามานั่นแหละหาอะไรมาแล้วก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เราหามาถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องทุกข์กับอะไรแล้วถ้าเราไม่มีความอยากจะได้อะไรเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่การที่เรากลับมาเกิดใหม่ก็เพราะว่าใจเรายังมีความอยากอยู่แต่ความอยากนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันอยู่กับใจใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายตายไปความอยากก็ ดึงใจให้ไปเกิดไปหาร่างกายอันใหม่เมื่อกี้ไม่ดังนะดังครับแต่ว่าดังไปงสุดแดังอยู่ครับไดงแล้วคนอื่นเสียงคนอื่นถามคงยได้ยินนะได้ยินครับเบอกว่าได้ยินเสียงชัดขึ้นนะเมื่อกี้ก็ได้สรุปให้ฟังแล้ในภาษาอังกฤษในเว็บเราก็มีมีที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้เขาเข้าไปดูได้เข้าไปในเว็บพระสุชาติ o com เนี่ยแล้วจะมีที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะมีทั้ง mp3 มี YouTube วิดีโอให้ ด, ใหดูให้ฟังแล้วก็มี pdf ไฟล์ pdf ให้อ่านมีหนังสือให้อ่านมีใครอยากจะถามอะไรไหมมาจากที่ไหนระยองครับพอดีมาสำมันาที่พริยาเสร็จแล้วครึ่งวันก็เลยมากราบครับ ทำกับโรงกันนะครับเคยมาแล้วใช่ไหมเคยมาแค่ครั้งเดียวครับกันอะไรนะอยู่ไออาร์พีซีครับไออาร์พีซีอันนี้มีความต้องการหรือความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโอ้โหจสมกราบแล้วก็จะมาเรียนพระจาร์ระพริปจะพาพี่สายงานครับจะมาขอการถวายตทอา่าะขอการว่าสัตตะมันใบสองอาจจหลังใบสองนี้ มาสวัสดีเขาาทุ่งนะครับมากันเยอะไห ม, ะมนะมม แ, ลแล้วจะหส า, ายสิบอยู่มอนกันครับได้เขาได้มีโอกาสมาฟังทำด้วยครับคือถ้ามาเสาร์ที่มันจะค่อนข้างที่จะคนมากแล้วก็ติวันเสาร์ที่นี่ก็คนเป็นร้อยละแล้วที่มันมีที่จากัดถ้าวันธรรมดาอานันี้ก็ยังเป็นวันธรรมดาครับ ประมาณสักกี่คนที่จะมาห้าสิบหกสิบเราจะได้เตรียมเครื่องขยายไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีคนมาเยอะนั่งบนศาลาไม่พอก็จะปูเสื่อให้นั่งกันรอบๆศาลาก็ต้องมีมีไมครมีลําโพงไปตั้งไว้จะคนจะได้ยินกันวันวันแต่ผมมาเรียนมานัดกันอีกทีแล้วจะได้ให้เขาเตรียมเครื่องเครื่องเสียงไว้ ก็ถ้ามาวันธรรมดาได้จะสะดวกกว่าเพราะว่าเสาร์อาทิตย์จะมีคนมากันมากอยู่แล้วแล้วถ้าเรามาอีกมันก็จะามากแล้วบางทีทางป่ามมา้เขาก็เขาจะไม่ให้เข้าถ้าคนมากเกินไปเพราะมันไม่มีที่จอดรถกันเป็นวันธรรมดาของเร า, <ช>ามาเรียพระธรี หมอมีอะไรบ้างวันนีจ้จะเรียนถามภาอาจารย์ว่าอย่างการที่เราจะเป็นจัดความทุกข์ออกไปอะคะ่ะถ้าเราจิตเรานิ่งพอที่จะเห็นความอยากของมันทำให้ใจเราก็เรื่อมขึ้นมาเนี่ยเราเราตัดความอยากของเราออกไปได้กับอีกวิธีหนึ่งคือการที่เราเดินบรรัญญาตามตามเหตุเหตุที่เกิดเช้นการพิจารณาไตรักหรือว่าอสุภานะ คือเราควรจะต้องทําวิธีไหนมากกว่ากันไหหรือว่าใช้เรื่งสองวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้มันหยุดความอยากได้จะให้เห็นตายรักก็ได้จะให้เห็นว่ามันสะเทือนใจเราเวลาเกิดความอยากก็ได้แล้วแต่วิธีไหนที่ทําให้เรา เ, าเห็นโทษของความอยากว่ามันทําให้เราทุกข์มากกว่าทําให้เราสุข ถ้าเรามีใจที่สงบเนี่ยเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยมันจะใจเราจะกระเพิ่มแล้วความสุขนั้นมันก็จะหายไปกลายเป็นความกาวนกาวายขึ้นมาถ้าเราเห็นเพียงแค่นี้เราก็หยุดซะไม่เอาดีกว่าอยากจะมีแฟนปับ๊บพอคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวโอ๊ยยุ่งไม่เอานีกา่ก็หยุดอันนี้ก็เห็น หรือถ้าจะเห็นที่ตัวแฟนก็เห็นว่าแฟนเขาเดี๋ยวเขาก็ไม่แน่นอนนะเดี๋ยวเกิดได้มากันไม่กี่วันเกิดเขาไม่สบายขึ้นมาทำยังไงเป็นนอามาพึ่เป็นนอามาพาดขึ้นมาแล้วเราจะอยู่เขาได้หรือเปล่าให้คิดความถึงความไม่เคลี่งนของสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากได้ไม่ไม่มีอะไรแน่นอนไม่ใช่ว่าจะดีไปตลอดเวลาทุกอย่างจะต้องมีวันเสื่อมมีวันดับ บางทีเสื่อมเร็วดับเร็วแต่งการกันมาไม่กี่วันตายจากกันก็มีไม่มีอะไรแน่นอนฉะนับางทีถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วก็ถอยดีกว่ากลับมาอยู่กับสมาธิอยู่กับความสงบดีกว่าแทนที่จะออกไปหาแฟนก็นั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปถ้าเรานั่งสมาธิได้แล้วเราก็จะสู้กับความอยากได้ง่าย ถ้าเราไม่มีสมาธินี่มันทนไม่ไหวพอมันอยากแล้วมันต้องไปตามตามความอยากเพียงอย่างเดียวความทรมานใจมันถึงจะหายไปความอยากนี้มันสร้างความทรมานใจพอวิธีที่จะทำให้มันหายทรมานก็คือต้องได้ทาตามความอยากแต่มันหายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็มีความอยากตัวใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะทาให้เราต้องไปแก้ ด้วยการทำตามความอยากมันก็จะไม่มีวันจบวิธีที่จะจบก็คือต้องไม่ทำตามความอยากทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาถ้ามันเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากนั้นมันก็จะหมดกำลังไปถ้าเราอยากจะสูบบุหรี่แล้ออยากจะดื่มสุราถ้าเราฝืนมันได้ไม่ทำตามมันได้ด้วยการใช้ปัญญาหรือด้วยการใช <c oughs> ใช้การดูใจของเราว่าเวลาอยาก้าใจมันกระเพิ่มใจมันไม่มีความสุขเวลาไม่อยากนี่ใจสบายเย็นนั่นเราก็หยุดความอยากนี่ดีกว่าอย่าไปอยากมันเห็นโทษหรือเห็นโทษว่าการสูบบุหรี่การดื่มสุราจะทําให้เราเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งจิตใจจิตใจก็จะ ไม่มีสติสตังเวลาเดือมสุราทาให้เราต้องไปพูดไปทำอะไรที่เสียหายได้ถ้าเราใช้เหตุผลใช้ปัญญาเห็นโทษของสุราเราก็ไม่ดื่มมันเห็นโทษของบุหรี่เราก็ไม่สูบมันบุหรี่ก็คือควันพิษดีๆนี่เองแต่เรากลับไม่เห็นว่ามันเป็นควันพิษกัน เวลานั่งรถไปข้างออกไปข้างถนนนี่เอาหน้ากากปิดหน้ากันเพราะเห็นควันควันพิษออกมาจากรถยนต์แต่พอไปสูบบุหรี่ไม่เอาหน้ากา ก, ากปิดกันสูดกันเข้าไปอย่างเต็มที่เลยมันก็เป็นควันพิษเหมือนกันเนี่ย <c oughs> เพราะเราไม่ใช้ปัญญากันถ้าเราใช้ปัญญาเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันจะทำให้เราทุกข์มากกว่าทำให้เราสุข เราก็จะเลิกหยุดความอยากได้ดังนั้นก็ใช้ได้สองทางถ้าเรามีสมาธิแล้วเราดูที่ใจเราเลยเวลาเกิดความอยากนี่มันจะกระเพื่อมขึ้นมาแต่แล้วความอยากบางอย่างมันนิ่มนวลกว่ามันไม่กระเพื่อนกระโต ก, กระตากอหรือว่าจิตเรายังไม่สงบพอที่จะเห็นในตัวนี้ได้เราก็ยังจะเคลิ้มไหลไปกับมันได้อยู่ แต่มันเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะเห็นทุกข์พอเห็นทุกข์มันก็ต้องหาวิธีไม่ทําตามความอยาก mm hmm. ก็ต้องใช้เนี่ยการใช้ดูสิ่งที่เราอยากได้ทุกอย่างที่เราอยากได้มานี้มันไม่มันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีเวลาหมดไปก็ไม่ดีเวลาสูบบุหรี่พอหมดซองแล้วมันก็ไม่ดีแล้ว ถ้าอยากจะดีก็ต้องไปหาซองใหม่มาสูดต่อเวลากาแฟหมดก็ต้องไปหากาแฟมาเวลามีกาแฟก็ดีแต่เราไม่ชอบเราไม่ยอมมองตอนที่เวลาไม่มีกันอันนั้นเราก็ต้องถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมปัญญาไว้ก็คืต้องมีชีฟังไปล้ปัญญาไว้อยู่ดีทีมั้ว่าเราจะ เหตุความกับเพื่องบ้างแล้วก็ตามใช่เพราะถ้าเราไม่มีปัญญาเลยเวลาเรามีสมาธิก็เราก็ไม่สามารถที่จะหยุดความอยากได้เวลาความอยากโผล่ขึ้นมานอกจากกลับก็ไปในสมาธิทนั้นถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ไม่มีวันที่จะดับความอยากได้อย่างถาวรก็จะดับได้ชั่วคราวเวลาเกิดความอยากแล้วก็รู้ว่าสู้มันไม่ไหวก็กลับ้าไปในสมาธิ ควอยากก็จะหยุดไปชั่วคราวแต่มันจะไม่ตายมันจะตายต่อเมื่อเราเห็นโทษของความอยากเห็นโทษของสิ่งที่เราอยากต้องเห็นโทษว่าต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราอยากเสพนี่เป็นทุกข์เห็นว่าราบลาบยศสรรเสริญที่เราอยากได้นี่มันเป็นทุกข์ถ้าเรายังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่เราก็ยังอยากได้อยู่ยังโยมเห็นยังเห็นว่าเงินนี่ดีแล้วสุขแล้วทุกข์อยู่ ถ้ายังเห็นว่าสุขก็จ้อหาเงินไปเรื่อยๆแต่คนที่ก็เห็นว่าเงินเป็นเป็นทุกข์เขาก็ไปบวชดีกว่าใช่ไหมคนที่บวชได้ก็เพราะว่าเขาเห็นเงินทองเป็นทุกข์กันเขาจึงไม่ต้องใช้เงินทองเขาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเป็นทุกข์กันเนี่ยเห็นการมีสามีมีภรรยานี่เป็นทุกข์ถ้ายังเห็นว่าเป็นสุขก็บวชไม่ได้คนที่มีปัญญาก็จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไปหมด คนที่ยังเห็นว่าทุกอย่างเป็นสุขก็แสดงว่ายังโง่อยู่พูดง่ายๆยังหลงอยู่แะ้วหลงความหลงก็คือความโง่เี่เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดติดบุหรี่ติดอ่าติดสุราเนี่ยเขาเรียกว่าคนหลงหรือคนโง่คนหลงกับคนโง่ก็คนเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมคนฉลาดก็ไม่ไปติดหรอกอย่างพวกเราฉลาดเราไม่ติดยาเสพติดกันใช่้หมมีใครติดยาเสพติดไหม ใช่แสดงว่าเราฉลาดพราเรารู้ว่า ย, ยาเสพติดนี่มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์เสพแล้วมันมันสุกเดียวเดียวแต่แต่พอไม่มีเสพมันจะทุกข์ทรมานมากนี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนาให้เห็นให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเราเป็นทุกข์ ถ้าเราศึกษาตับต้น ต, ตอนเลยนะคะอาจารย์คือถ้าเราเห็นอย่างที่อาจารย์สอนว่าเห็นสัพท์แปลว่าเห็นแล้วก็รู้สัพท์แปลว่ารู้ตัวนี้เราก็จะไม่นําเข้ามาสู่ใจเราเลยไม่มาแปรเป็นความหลงคือความคิดก็คือใจที่ไม่มีความยินดียินร้ายกับอะไรก็เห็นเฉยเฉเห็นเงินก็เฉยเฉยไม่ได้ตื่นเต้นไม่เห็นไม่มีความอยากได้หรู้เห็นเฉยเฉศัพแปลว่าเห็น เห็นอะไรก็เฉยเฉยไม่มีความอยากได้ที่ท่านบอกให้สักแต่ว่ารู้ก็คืออยาาไปอยากกับสิ่งที่เรารู้ถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์แต่ส่วนใหญ่เราเห็นอะไรเราจะมีความอยากทันทีอยากได้หรืออยากไม่ได้เห็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็อยากไม่ได้เห็นสิ่งที่เราชอบเราก็อยากได้ให้เห็นแบบเฉยเฉยไม่ได้ การจะเห็นแบบเฉยๆได้เนี่ยก็ต้องมีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิเวลาเรานั่งสมาธินี้เราจะทำใจให้เราเฉยๆได้แต่วเวลาออกจากสมาธิมาถ้ายังมีความอยากอยู่ในใจเราอยู่มันก็จะผุดออกโผล่กออกมาได้เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าตัวนี้คือตัวปัญหาความอยากอย่าไปทาตามมัน แต่ถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วเราเห็นอะไรก็เฉยไปหมดไม่ยินดียินร้ายเราก็แสดงว่าเราไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีความอยากหลงหรืออยู่ภายในใจถ้ายังมีความอยากอยู่ในใจก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปอยากอยากแล้วทุกข์เท่านั้นเองมันเกิดจากการที่เรา คิดไปบ่อยด้วยเรื่องของโทษของความอยากผิดมันบ่อยๆมันก็จะในที่สุดมันก็จะแทบไม่มีความอยากเลยมันก็คิดอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่พอมันนมัอาจจะต้องไปเจอเจอความทุกข์เหมือนเด็กอเราบอกว่าให้ไฟมันร้อนนะอย่าไปจับมันนะเด็กมันก็ฟังแต่มันจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้อ่ามันดีคือดีมันเผอไปจับเข้ามันถึงจะรู้ว่าอ๋อมันร้อนเป็นยังไง แล้วพอมันรั่วมันล้อต่อไปมันก็ไม่ไปจับแล้วเพราเราต้องทุกข์ก่อนทุกข์แล้วถึงจะได้จําอำจะได้เข็ดะถ้ายังไม่ทุกข์ไม่ไม่เชื่อหรอกสอนเด็กว่าเที่ยวไม่ดีนะยาเสพติดไม่ดีสอนมันเดี๋ยวมันพอเจอเพื่อนชวนให้ไปเสพมันก็มันก็เอาวละอมันเสพแล้วมันมันรั่วมันทุกข์แต่มัน บางทีมันทุกข์แล้วมันมันมันถอนตัวไม่ไม่ขึ้นถอนอัจฉริยาเสพติดนี่เพอมันติดแล้วมันทุกทุกทั้งสองอย่างทุกพอเวลาจะเลิกเสพก็ทุกเวลาเสพมันก็ทุกเวลาอยากจะเสพแต่ไม่มีให้เสพมันก็ทุกมันก็เลยถอนตัวไม่ขึ้นยังบางอย่างนี่บางทีก็ต้องอย่าไปลองเราต้องเชื่อว่าเอ่อดูดู ดูคนอื่นเป็นตัวอย่างดูคนที่เคยก็ติดยาเป็นตัวอย่างว่าเขาทุกข์ไหมก็นั้นการสอนใจนี้แต่ละคนมันก็ต้องมีอุบายมีเทคนิคสอนทำไงก็ได้ที่จะทําให้มันเลิกความอยากได้ก็แล้วกันไม่มีสูตรตายตัวเรื่องปัญญานี้ไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่ละเรื่องบางทีมันก็ เราจะต้องเห็นทุกข์หรือเห็นไม่เที่ยงหรือเห็นว่าไม่มีตัวตนอย่างร่างกายของเรานี่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ตอนนี้เราไปเห็นว่ามันเป็นตัวเรามีใครเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราบ้างไหมทั้งที่มันไม่ได้เป็นตัวเราเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ไปเห็นว่าเป็นตัวเราได้ยังไง เราก็ต้องหาวิธีศึกษาดูให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราเราก็ใช้การาทดสอบถามตัวเราไปเรื่อยๆก็ได้ว่าในร่างกายนี้มันมีอะไรบ้างมีผมเนี่ยมีขนมีเล็บใช่ไหมผมนี่มันตัวเราหรือเปล่าเวลาเราโกนผมทิ้งไปนี่ตัวเราหายไปกับผมหรือเปล่าเวลาเราถอนฟันไปนี่ฟันมันหาย ไปแล้วเราตัวเราหายไปกับฟันหรือเปล่าตัวเราลดน้อยถอยลงไปหรือเปล่าเวลาเราตัดแขนตัดขาออกไปนี่ตัวเรายัางหายไปหรือเปล่าในอาการร่างกายทั้งสามสิบสองอาการมีตรงไหนที่เป็นเราบ้างหัวใจเป็นเราหรือเปล่าตับเป็นเราหรือเปล่าตาเป็นเราหรือเปล่าเวลาเขาเปลี่ยนตายกนะันแล้วเราหายไปแล้วได้ตายใหม่นะคนใหม่มันเป็นตัวเราหรือเปล่า ถ้าเราถามอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นว่าอาการทั้งามที่สองนี้มันเป็นเพียงอาการมันไม่ได้เป็นตัวเราเราเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของมันทานั้นคือเราได้มาได้มันมาเป็นสมบัติครอบครองไว้เป็นเหมือนกับเราได้รถยนต์มาเวลาเราได้รถยนต์มาเราว่ารถยนต์เป็นเราหรืเปล่าเป็นตัวเราหรือเปล่าเรารู้มันไม่ใช่เป็นตัวเรา เราเป็นคนขับใช่ไหมรถยนต์มันก็เป็นรถยนต์ให้เราขับพาเราไปไหนมาไหนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ใจก็คือคนขับเราก็คือคนขับรถยนต์นี้เราก็ใช้รถยนต์คือร่างกายนี้พาเราไปไหนมาไหนจะมาที่นี่ได้ก็ต้องใช้คนขับสั่งให้พามาเราวันนี้มาวัดต้องคิดก่อนนะใช่ไหมคิดว่าจะมาวัดพอถึงเวลาก็ชวนเพื่อนอ แล้วก็ออกเดินทางมาถ้าไม่คิดไม่สั่งให้ร่างกายมามันจะมาได้ัหมมันก็ไม่มาเั้นคนคิดกับคนที่รับคำสั่งนี้เป็นคนละคนกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นเจ้านายร่างกายเป็นคนรับใช้ใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันแต่ไม่มีใครสอน พอมันอยู่ติดกันมามันก็เลยคิดว่าเป็นตัวเดียวกันหนึ่งคนเดียวกันออกจากท้องแม่มามันก็เห็นแต่ร่างกายใจมันไม่เห็นใจมันไม่มีรูปร่างมันก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นมันไปเพราะมันทำอะไรมันต้องใช้ร่างกายทาเราวิทธเจ้าจึงต้องสอนให้มาแยกแยกร่างกายออกจากใจการแยกนี้ก็ต้องแยกสองวิธี วิธีแรกก็คือต้องนั่งสมาธิแล้วทำใจให้สงบเวลาใจสงบนี้ใจจะปล่อยเพราะใจจะถอนออกจากร่างกายใจนี้มันส่งกระแสมาเกาะติดร่างกายกระแสที่เรียกว่าวิญญาณ<ม>วิญญาณนี้เป็นตัวที่มารับข้อมูลจากทางร่างกายข้อมูลทางตาแล้วก็เรียกว่าโสตะวิจักขวิญญาณ ข้อมูลทางหูก็เรียกโสตะวิญญาณเนี่ยมันมีห้าห้าห้าวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกายเหมือนกับหมอหมออยากจะตรวจหัวใจก็มีเครื่องตรวจหัวใจหมออยากจะตรวจความดันก็มีเครื่องตรวจความดันหมอก็จะได้รับข้อมูลจากร่างกายว่าตอนนี้หัวใจเต้นเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันใจอยากจะเห็นภาพก็ส่งวิญญาณมาที่ตา เวลาลืมตามันก็จะเห็นภาพภาพมันก็จะส่งไปที่ใจทงใจก็จะได้รับรู้ว่าตอนนี้กำลังเห็นภาพอะไรอยู่เวลานั่งสมาธินี้เราจะดึงไอ้ห้าวิญญาณทั้งห้านี้กลับเข้าข้างในถอดออกมาเหมือนกับมอมไม่รับรู้เรื่องหัวใจเรื่องความดันของคนไข้ถอดเครื่องไม้เครื่องมือออกให้หมด เ, เวลาเรานั่งสมาธิมันก็จะเป็นแบบนั้นเวลาพุทโธพุทโธ เข้าข้างเข้าเข้าข้างในให้มันออกจากร่างกายชั่วคราวพอมันถอดออกมาได้ปั๊บมันก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายแล้วเวลาใจสงบนี้รูปเสียงกลิ่นลดความรู้สึกจากร่างกายมันหายไปเราก็จะเห็นว่าอ๋อใจนี้เป็นตัวรู้เพราะมันจะเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวตัวร่างกายจะหายไปอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่จะ ให้เราเห็นว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนตับตัวกันแต่พอเราออกจากสมาธิมามันก็กลับมารวมกันกระแสวิญญาณก็กลับมาที่ร่างกายถ้าเวลากลับมารวมกันแล้วทีนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาเตือนอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ตัวเราแล้วเราก็ต้องไปพิสูจน์ดูว่าเราจาได้หรือจาไม่ได้ ก็พาไปหาที่มันน่ากลัวดูที่มันจะต้องเสียร่างกายไปดูซิว่าจะมันจะจําได้ไหมว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราถ้ามันจําได้มันก็จะไม่กลัวเวลามันเจอเหตุการณ์ที่จะทำให้มันตายถัดที่จะทำให้ร่างกายตายถ้าใจมันจําได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันจะตายให้มันตายไปมันก็ไม่กลัวแต่ถ้ามันกลัวก็แสดงว่ามันลืมละมันเถอยังหลงอยู่ ยังหลงยางคิดว่าร่างกายเป็นตัวมันอยู่อันนี้ก็คือวิธีแ <c oughs> ยกร่างกายปล่อยวางร่างกายขั้นต้นต้องมีสมาธิก่อนจะได้รู้ว่ามันมันยากกันจริงๆมันเป็นคนละตัวกันจริงๆแต่ยังไม่สามารถแยกอย่างถาวรได้เพราะยังไม่ได้ไปตัดไอตัวที่ไปเชื่อมมันคือตัวตันหาความอยากตัวประธานต้องใช้ปัญญาเวลาออกมา แล้วต้องไปบังคับให้มันไปเจอเหตุการณ์ที่มันจะต้องแยกกันต้องปล่อยกัน<ม>เช่นไปเจอความตายอยันเช่นไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเหลืออีกสามเดือนจะตายดูเสียว่าใจจะเป็นอย่างไรถ้าใจทุกไม่อยากให้ตายก็แสดงว่ายังคิดว่าเป็นตัวเราอยู่แต่ถ้ามันคิดว่าเฮ้ไม่ใช่ตัวเรามันจะตายก็เรื่องของมันตายก็ตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน เนี่ยคือการปฏิบัติเพื่อการแยกแยะให้เห็นความจริงของร่างกายกับของใจว่าเป็นคนละตัวกันถ้าเห็นความจริงแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายเพราะเวลาร่างกายเป็นอะไรใจก็คิดว่าเป็นไปด้วยแต่ไม่ไม่ได้เป็นแต่ทุกข์ไปเพราะไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรนะว่าร่างกายนี้มันต้องเป็น มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยมันเท่านั้นถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทําให้เราทุกข์เราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนความแก่ความเจ็บความตายอยากไม่ให้มันแก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมทุกข์ไปเปล่าๆแต่ถ้าย้อนให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์ มันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่แก่เจ็บตายแบบทุกข์กับแบบไม่ทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี่ท่านแก่เจ็บตายแบบไม่ทุกข์เพราะท่านรู้ว่าท่านปล่อยวางร่างกายได้ท่านรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวท่านพวกเรานี่ยังแก่เจ็บตายแบบทุกข์อยู่เพราะเรายังไปยังไปเห็นว่ามันเป็นตัวเราอยู่เป็นของเราอยู่ แม้แต่ร่างกายคนอึ่นยังไปทุกข์กับเขาเลยอย่าว่าแต่ร่างกายของเราร่างกายของแฟนพออะไรเป็นของเราปั๊บมันก็ไม่อยากจะให้เขาจากเราไปแล้วล่ะใช่ไหมเนี่ยความผูกพันความนักความหวงความอยากเนี่ยมันทาให้เราทุกข์กันแล้วเราต้องเห็นว่าการมีความทุกข์นี้ไม่ดีแล้วการที่จะให้มีให้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี่อยู่กับเราไปตลอดก็เป็นไปไม่ได้ แพ้เราสักวันนี้ก็ต้องจากเราไปหรือไม่ใช่นะั้นเราก็ต้องจากเขาไปร่างกายนี้มันก็ต้องจากเราไปนี่ให้ให้ตือนใจอยู่เรื่อยว่าต้องจากกันนะนั่นมันไม่ใช่ของเรานะถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยเขาไปถ้าไม่ปล่อยก็จะทุกข์แล้วเขาก็ไปอยู่ดีไม่ปล่อยก็ทุกข์ถ้าปล่อยก็ไม่ทุกข์ แต่เขาก็ไปอยู่ดีทั้งสองทั้งสองแบบปล่อยก็ไปไม่ปล่อยก็ไปแต่ปล่อยแล้วไม่ทุกข์ไม่เครียดไงไม่ยือ้อไม่ดึงเอาไว้เหมือนคนสองคนแย่งกันเยแย่งของกันเรามีตุ๊กตาตัวหนึ่งคนอีกคนเขาจะมาเอาไปเราไม่ยอมให้เขาไปแล้วก็ดึงกันไปดึงกันมาอย่างเงี้ยแต่เขามีกําลังมากกว่าเขาก็ดึงไปได้จนเราก็ทุกข์ไปเปล่าๆ ถ้าเรารู้แต่ตน้นว่าเขายัางไงเขาชนะแ น, น่ๆก็ให้เขาไปเลยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเดี๋ยวพยาแมกเจุร่าก็มาเอาไปแล้วแล้วเขาใหญ่กว่าเราเขาโตกว่าเราเขาเก่งกว่าเราเราไม่มีทางสู้เขาได้หรอกเราอยากจะได้ก็ให้เขาไปเลยทําใจได้ก็สบายทําใจไม่ได้ก็ทุกข์จะทาใจได้ก็เนี้ยต้องทําใจให้สงบ วิธีจะทาใจใ ห, ให้ให้ได้ต้องทำใจให้สงบเพราะการทำใจให้สงบก็คือการทำใจให้ให้ให้ปล่อยวาง น, นั่นเองพอใจสงบแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็จะเห็นว่าปล่อยวางแล้วมีความสุขให้เขาแล้วมีความสุขความหวงหวงลบกทุกข์อย่างตอนนี้ถ้าแฟนมาบอกว่าเขาได้แฟนใหม่แล้วเขาขอลาจากเธอไปแล้วเนี่ยถ้าเธอยินดีเขาเธอก็มีความสุขอ่ะไปเลย แต่ถ้าเธอห่วงเนี่ยเธอก็จะทุกข์เสียเหมือนกันจะเสียแบบไหนดีเสียแบบสุขหรือเสียแบบทุกข์ดีจำไว้นะเกิดเวลาวันไหนแฟนมาบอกว่าได้แฟนใหม่แล้วจะให้ไปหรือให้ไปใช่ก็ไปอยู่ดีถ้าไม่ให้ไปก็บางทีถึงฆ่ากันฆ่ากันตายไปได้ด้วยกันทั้งคู่ฆ่าเขาแล้วก็มาฆ่าเรา ถ, ถ้าไม่ยอมไม่เข้าไปก็กลายเป็นความทุกข์แสรสาหัสแต่ถ้ายินดีเอขามีแฟนใหม่เขามีความสุขเขาอยู่กับเราเราให้ความสุขเขาน้อยไปเขาได้ความสุขจากแฟนใหม่มากกว่าก็อนุโมทนาไปเลย<ม>ออความสุขไม่ใช่หรอกเขาเป็นแฟนเราใช่ไหมเรามีแฟนก็เพราะเราอยากจะให้เขามีความสุขนะแล้วเมื่อเขามีความสุขเราจะไปหวงเขาไว้ทาไมาให้เขาไปสิ แต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นคนเห็นแก่ตัวลเลาได้แฟน้าไม่ได้อยากให้เขามีความสุข i, อยากให้เรามีความสุขมัน <park> <men> เลยทุกข์กันออย่านี้แต่เราอยากให้เขามีความสุขแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าก็มีหาความสุข ท, ที่ดีกว่าที่เราให้เขาได้ก็ให้เขาไปสิแล้วก็เราอยากจะให้เขามีความสุขไม่ใช่เหรอวันเกิดเรายัางซื้อของขวัญมาให้เขาได้เลยทำไมเวลาก็จะไปมีแฟนใหม่จะมาให้เขาไปไม่ได้ก็เป็นของขวัญใหม่ของเขาไง นี่แหละคือเรามองไม่เห็นธรรมชาติของใจแล้วว่าสุขสุขหรือทุกข์เพราะอะไรถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะสามารถทําอย่างที่เราพูดได้เราก็อยากจะไปให้เขาไปเลยแล้วเราจะมีความสุขเห็นเขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วยแต่ถ้าเราไม่ยอมไม่เข้าไปเราก็จะทุกข์เขาก็จะทุกข์ น้องปล่อยวางต้องทำใจให้สงบแล้วเราจะมีความสุขแบบที่ไม่ต้องมีอะไรเวลานั่งสมาธิใจสงบแล้วจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขแบบนี้แล้วเราสามารถยกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ให้คนอื่นไปได้หมดเลยตอนที่ก็มเป็นความสุขอ ย, อย่างพระพุทธเจ้านี่เคยมีความสงบมาแล้วพอถึงเวลาท่านก็ยกราชสมบัติไปเลยในชะ่ เมยมาลูกเลิกก็ไม่เอายกให้คนไปเป็นขอทานไปอยู่เป็นขอทานแม้แต่เสื้อผ้าที่ใส่ไปขอทานมาขอเปลี่ยนก็ยังให้เลยยินดีให้ก็มีความสุขเราไม่ติดกับเสื้อผ้าดีเสีกไปเป็นนักบวชไปเป็นขอทานมันก็ต้องใส่เสื้อชุดของขอทานแต่ในวังมันไม่มีชุดผ้าชุดขอทานเวลาไปก็ใส่ชุดของเจ้าเจ้าชายไปพอไป เดินทางไปกลางทางเ่อเจอขอทานขอทานอย่างนะ้คนนี้ขอทานคนนี้มีเสื้อสวยงามขอเปลี่ยนเปลี่ยนพระพุทธเจ้าก็ยินดีเอาเลยเปลี่ยนเลยเราจะได้เป็นขอทานเต็มร้อยไปเลยนั่นละคนที่มีความสุขใจแล้วสามารถยกทุกสิ่งทุกอย่างให้คนอื่นไปได้หมดเลยไม่มีความหึงหวงเลยเพราะความหึงหวงแม้แต่นิดเดียวก็ทาให้ใจแค่ใจทุกข์ละใจไม่สบายล เราอย่าไปเหึงห่วงอะไรมันจะทําทให้ใจเราทุกข์และไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องไปอยู่ดีอให้มันไปด้วยความยินดีดีกว่าอย่างวันนี้ญาติโ ย, า ม, ยมเสียงเงินโดยด้วยความยินดีแล้วรู้สึกทุกข์ไหมวันนี้ไม่ห่วงเงินที่มาให้กนละัา <c oughs> มีความสุขใช่ไหมใจรู้สึกยังไงทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยเพราะไม่ยินดีที่ให้ก็ขโมยแต่ยินดีที่จะทําบุญ มันก็เสียเหมือนกันเงินก้อนเดียวกันแต่ความรู้สึกต่างกันอยู่ที่ว่าเราปล่อยหรือไม่ปล่อยถ้าเรายินดีที่จะปล่อยแล้วเราจะมีความสุขถ้าเราไม่ยินดีเราก็จะทุกข์การมาปฏิบัตินี้ก็เพื่อให้เราปล่อยการจะปล่อยได้ก็ต้องมีความสุขในตัวเราเราต้องมานั่งสมาธิกันทำใจให้สงบ ถ้าใจสงบแล้วมันจะมีความสุขยิ่งกว่าการอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ความสุขมันคนระดับกันเหมือนกับฟ้ากับดินความสุขที่ได้จากความสงบนี่เหมือนกับฟ้าความสุขที่เราได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับดินแล้วยังมีความทุกข์ตามมาด้วยเดี๋ยวคนนั้นเขาเปลี่ยนไปเราก็เสียใจละเคยดีกับเราพอมาเปลี่ยนไม่ดีกับเราเราก็เสียใจละ แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันไม่มีวันเปลี่ยนมันจะให้แต่ความสงบความสุขกับเราไปตลอดถ้าเรารู้จักวิธีทำให้มันสงบแล้วเราก็สามารถทำมันได้ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะปล่อยสิ่งต่างๆได้ด้วยปัญญาเราต้องมีความสุขในตัวเราก่อนพอเรามีความสุขในตัวแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยคิดว่ามันให้ความสุขกับเรานี้ มันก็มีความทุกข์บุ้วด้วยเพราะมันไม่มันไม่ถาวรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลามันจากเราไปเวลามันเปลี่ยนไปมันก็ทําให้เราทุกข์ฉั้นพอเรามีความสุขใจแล้วเราเห็นโทษของสิ่งที่เรามีอยู่เราก็ไม่อยากจะมีมีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองก็เอาไปเลยเก็บไว้เพียงแต่ไว้เลี้ยงดูร่างกายก็พอร่างกายมันยังต้องเลี้ยงดูมันก็ต้องมีมีเงินมีอะไรไว้ซื้ออาหารซื้ออะไรต่าง แต่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อความสุขจากร่างกายหรือว่าถ้าร่างกายมันจะตายไปวันนี้ก็ยินดีให้มันตายไม่เดือดร้อนเพราะยังไงมันก็ต้องตายเองแต่ว่าที่ยังดูแลมันอยู่ก็เพราะว่ายัางใช้ร่างกายนี้มาทําประโยชน์ได้อย่อย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านยังเลี้ยงดูร่างกายหลังจากที่ท่านตัดสรตวแล้วท่านตัดสรตตอนที่อายุยี่สิบเก้าปีถ้าวันนั้นท่านตายไปท่านก็ไม่เดือดร้อน ถ้าเกิดร่างกายท่นยานจะต้องตายไปในวันวันวันที่ท่านตัดสรู้ท่านก็จะไม่เดือดร้อนอะไรเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วสาหรับตัวท่านเองแต่ที่ท่านยังเลี้ยงดูร่างกายไปก็เพราะว่าท่านยังต้องใช้ร่างกายนี้มาสั่งสอนคนอื่นมาช่วยเหลือคนอื่นมาช่วยให้คนอื่นหลุดพ้นเหมือนกับที่ท่านได้หลุดพ้นเพราะท่านถ้าท่านไม่สอนไม่มีใครจะสอนไม่มีใครจะรู้ที่จะทาหน้าที่นี้ได้ มีพระพุธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถสอนให้พวกเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่สอนก็ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้พอท่านสอนก็มีคนฟังแล้วนำไปปฏิบัติก็หลุดพ้นกันเป็นจำนวนมากเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นกันเป็นจำนวนมากเป็นจนถึงปัจจุบันนี้คิดดูทั้ง 2,500 กว่าปีแล้วยังมีคนสามารถปฏิบัติหลุดพ้นได้อยู่ ความเมตตาของพระเจ้าการเสียสละของพระเจ้าที่ใช้เวลาต้องสี่สิบห้าปีมาสั่งสอนปากเปียกปากฉีกให้กับคนต่างๆแล้วไม่ใช่คนนั้นแม้แต่เทวดาก็มาฟังเทศฟังธรรมวันหนึ่งพระเจ้าสอนสามรอบตอนบ่ายสอนญาติโยมตอนข้ามสอนภิกษุสมัมเนยภิกษุณีตอนเด็กสอนเทวดา ตอนเช้าก่อนจะออกมินบทบตก็เล่งยานดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษมีใครกําลังพร้อมที่จะหลุดพ้นก็จะไปหาคนนั้นก่อนนั่นท่านท่านทำหน้าที่นี้อยู่สี่สี่้าปีท่านไม่ได้อะไรจากการทำหน้าที่นี้เลยแต่ให้ใครให้เงินทองให้อะไรสร้างวัดสร้างอะไรถวายพระพุทธเจ้ามันก็สู้ความสุขที่ท่านมีอยู่ในใจของท่านไม่ได้ แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยความอยากจะได้รับผลตอบแทนจากการกระทำท่านสงสารพวกเราที่ยังไม่รู้จากทางที่จะหลุดพ้นถ้าท่านไม่สอนก็ไม่มีใครที่จะสอนได้แล้วก็จะไม่มีใครจะหลุดพ้นได้ท่านก็เลยยอมเสียสละสอนนี่คือเหตุที่ท่านะอานนายังรักษาร่างกายอยู่ไม่ใช่เพราะว่าท่านกลัว าการมีร่างกายมันยังเป็นประโยชน์อยู่คูบาอาจารย์แต่และองค์เนี่ยท่านสั่งสอนให้คนเป็นพระหลานกันมากมายดูหลวงปู่มั่นเป็นตัวอย่างถ้าหลวงปู่มั่นท่านไม่สอนเนอะจะมีพระครูบาอาจารย์ที่เราเคารมนับถืออยู่ไหมไม่มีหรอกพอหลวงปู่มั่นท่านก็เป็นพระหลานแล้วท่านก็สอนต่อท่านไม่หยุดท่านไม่ปล่อยให้ร่างกายตายไป ท่านก็ยังเลี้ยงดูร่างกายอยู่หาอาหารให้มันกินอะไรอยู่เพื่อจะได้เอามาใช้ประโยชน์ก็จะให้พรนะนะเรื่องอะไรเยเดี๋ยวเผื่อใครอยากจะไปได้ไปใครอยากจะอยู่ก็อยู่ต่อเพราะมันก็ได้เวลาชั่วโมงนวะจะถามเลยต่อก็ได้น ะ, ะาท่านมีอุบไปในการ ววย ค, บ, ค, ค, วคบุมับนก็มีสองวิธีวิธีแรกก็มีสติเวลาจะรู้สึกว่าโกรธก็ให้พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องหรือคนที่ทําให้เราโกรธเพื่อเดินหนีจากเรื่องเหตุการณ์ที่กําลังทําให้เราโกรธอยู่แล้วก็พุโทโธพุโทโธไปจนกว่าความโกรธมันจะสงบตัวลงไปแล้วค่อยๆกลับมาว่ากันใหม่ แต่วิธีนี้มันก็จะไม่หายขาดพอกลับมาเจอกันหน้ากันใหม่ก็โกรธใหม่ได้ถ้าอยากจะให้มันหายโดยที่ไม่ไม่กลับมาก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์สาเหตุของการเหตุที่ทําให้เราโกรธเหตุที่ทําให้เราโกรธก็คือความอยากของเราอยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้พอ เ, เขาไม่ทําตามที่เราอยากเราก็โกรธเขาถ้าเราไม่อยากจะโกรธเขาเราก็อย่าไปอยากให้เขาท เขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยก็ทําไปเราก็จะไม่โกรธแล้วต่อไปเราก็จะอยู่เขาได้เจอเขาได้ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเรายังอยากให้ก็ทําอย่างที่อยากอยู่พอก็ไม่ทำํำเราก็จะโกรธทุกครั้งไปอาจารย์ครับนิยามความอยากพระอาจารย์ีคุมโรคโกรธหลงหลาคาตัณหาทั้งหมดเลยนะครับเพราะผมเพิ่งกระจางเรื่องทุกจากตัณหาความอยากพกระจายตัวนี้ตัณหาความอยากมันมีทั้งของที่ดีและไม่ดีนะ อความอยากไม่ดีก็คือโลภกดหลงกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวตัญหาเนี่ยแต่ความอยากที่ดีก็มีอยากจะทําบุญเนี่ยดีอยากจะนั่งสมาธิอยากจะรักษาศีลนี่เป็นความอยากที่ดีอเดี๋ยวคนไม่เข้าใจคิดว่าความอยากทั้งหมดไม่ดีหมดเห็นอยากจะไปนิพพานก็ไม่ดีอยากจะรักษาศีลก็ไม่ดีแล้วจะไปนิพพานได้ไงไม่มันความอยากที่ไม่ดีมีสามตัวนั่นแหะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส อยากกินอยากดืมโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเนียอยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่างเงี้ยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากแค่สามตัวนี้ที่เป็นปัญหาแต่ความอยากอย่างอื่นนี่ดีอยากจะทำบุญทำไปเลยอยากจะรักษาศีลรักษาไปเลยอยากไปบวชไปเลยดีอาจารย์นะมาจากที่ไหน อยู่ที่ปตัตตานีครับไปทางานพอมันคงถนนก็ตรงปีนี้ก็ได้ฟังถึงทางกูเกิลยูทูปภาษาไทยครับอ่ารวมในความอยากใ้ทุกเรื่อนลบ ก, กดลงในะครับัญหาอยู่ในนี้ครับความอยากเคลื่อนเลื่อนชั้นเงิ่นตําแหน่งก็เป็นปัญหาก็เป็นความอยากก็เป็นทุกข์เหมือนกันช่วงปีสองปีก็ทุกข์เรื่องนี้ครับ <laughs> หนักเป็นเบาค่อยได้ฟังค่อยใจอยากใด้ลาบยศสรรเสริญเนี่ยอยากใด้รูปเสียงขลิบนี่เป็นตัวอันตรายอย่าประหยากมันให้ยินดีตามมีตามเกิดเป็นฐานเรือเลอฐานบกครับฐานบกครับประจําอยู่ที่ไหนตอนนี้สังกัลย์ที่ไหนกแต่ลงไปช่วยทางใต้ตั้งแต่4เจ็ดแล้วก็อยู่ต่อเนื่อง7 6 7ปีแล้วครับผมอ๋อยู่กรุงเทพเลยครับแล้วนี่มาที่นี่ทําอะไรเลยครับ ช่วงหลังหกเจ็ดปีก <ître> ็อยู่ปัตตานีพักมาก็นะครับส่วนใหญ่จะไปภูสังโคได้ได้เรื่อมท่านอาจารย์เมื่อต้นปีกันเลยออยากจะมาเจอตัวแล้วครับผมปีนี้อยู่ขางผมก็ฟังทุกกันอันนี้ก็รายวันที่สดสดอาทิตย์ที่ผ่านมาต่อไปติดตามสดได้แล้วเนยมีคุณต่อมาเมตตามาถ่ายทอดสดให้ถึงถึงเม่สดช่วงช่วงคืนก็ฟังได้ youtube ได้เลยครับอันนี้อันนี้ก็บอสดเสร็จแล้วมันก็จะเก็บไว้ต่อ ดูได้ฟังได้เรื่อยๆตลอดได้ตรงนีลอดเพราะว่าขึ้นลงตาไม่ถึงแล้วครับอย่างนี้มันเปลยนวิธีเผยแพร่มันเปลี่ยนไปแล้วเทคโนโลยีมันพัฒนาไปอย่างนี้คนมีมือถือกันทุกคนไม่มีใครใช้วิทยุแล้วไม่มีใครใช้แผ่นซีดีแล้วอย่างนี้ใช้มือถือเข้า youtube เข้า facebook ได้ก็ได้หมดแล้วเว็บไซต์มันก็เข้าได้หมดแล้วมันพัฒนาไปเรื่อยเร็วจะตายเลย ก็ดีนะก็พยายามศึกษาแล้วก็ต้องปฏิบัตินะผลมันจะเกิดจากการปฏิบัติมันไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้เฉยๆเรียนรู้แล้วต้องนําไปปฏิบัติต้องไปละกิเลสตัณหาให้ได้เป้าหมายของการปฏิบัติก็คือการละ ก, กิเลสตัณหานีท่านนี่ไม่อย่าไปละอย่าไปสงว น, นกิเลสตัณหาศีน ส, ส, สมาธิปัญญานี้เป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นผล เราต้องการเครื่องมือนี้เพื่อที่จะได้มากําจัดกิเลสตัณหาแต่ถ้าเรามีเครื่องมือแล้วเราไม่ไปกําจัดก็เสียเวลาเปล่าๆนั่งสมาธิได้แต่ไม่เอาสมาธิมากําจัดกิเลสตัณหามันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้ ว, ลวพอออกจากสมาธิมาก็หิวกาแฟแล้วหิวขนมแล้วก็กินต่อนี่มันก็ไม่หมดมันก็ยังไม่อใจนะเวลาหิวเราไม่กินแต่ยังไม่ถึงเวลากินไม่กิน ให้กินได้วันละเวลาหนึ่งเหมือนกินยาเงนี้กินตามเวลาได้กินเพื่อร่างกายอย่าไปกินเพื่อความอยากถ้าเป็นความอยากก็อย่าไปกินแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหายไปเราต้องเืนมันทุกครั้งที่มันอยากแล้วมันจะไม่มาลบกวนใจเราต่อไปเราต้องการทำลายตัวนี้ตัวที่มาลบกวนใจเราต่อให้มีเงินทองร้อยล้านพันล้านถ้ามีตัวนี้มันก็ไม่มีความสุข มันจะมีตัวคอยมาลบกวนใจเราอยู่เรื่อยแต่ไม่มีเงินเลยแต่กบจัดไอ้ตัวนี้ได้อยู่สบายยิ่งกว่าคนมีร้อยล้านพันล้านงั้นอย่าไปหลงทางอย่าไปหาเงินร้อยล้านพันล้านชื่ว่ามีร้อยล้านพันล้านจะมีความสุขไม่มีหรอกมันแต่ยังมีไอ้ตัวอยากอยู่นี้มันไม่มีวันที่จะสุขได้หรอกอ้าว่าไงมา ที่บ้านฝักมาถามนะครับว่าปกติเวลาภาวนาอย่างเงี้ยครับหลางยุดโภสอะครับก็ดีพี่ชายของผ ม, มบางวันเนี่ยจะรู้สึกว่ามีสติดีถ้าถ้าโฟกัสที่จมูกบางวันก็จะที่หน้าอกคราวนี้คําถามคือเราควรที่จะดูว่าวันไหนเรามีสติในการโฟกัสที่จุดไหนก็ทําไปหรือว่าควรจะเน้นที่เป็นจุดหนึ่งถึงจะไปได้เร็วว่า ออก็ต้องดูว่ามันได้ผลดีอย่างไรเอาผลเป็นหลักแล้วแต่ละวันมันอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่ละวันอาจจะง่ายอาจจะยากต่างกันเพราะว่าเรามีอารมณ์มากมายมากน้อยต่างกันมีเหตุการณ์มีเรื่องราวมากน้อยต่างกันบางวันถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีอะไรมารบกวนใจมันก็สงบง่ายบางวันเราต้องไปมีภารกิจเกี่ยวข้องกับคนอื่นมันก็ทําให้สงบยาก งั้มันไม่มีอะไรตายตัวขอให้ดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติของเราว่าปฏิบัติแบบไหนแล้วได้ผลดีก็อแบบนั้นไปแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเวลามันมันมันไม่มันไม่ได้ผลแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเพราะมันกิเลสมันก็ฉลาดเหมือนกับยายาปฏิชีวนะเนี่ยไอ้ไอ้พวกเชื้อโรคนี้มันก็ฉลาดเพราะใช้ยานี้บ่อยๆเข้ามันรู้จักวิธีสู้มันก็มันก็ ใช้ไม่ได้แล้ะก็ต้องเปลี่ยนยาปฏิชีวนะใหม่การภาวนาก็เหมือนกันใช้รูปแบบนี้ไปสักพักมันมันพอมันรู้ท่าแล้วมันก็เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีภาวนาใหม่แล้วมันก็ต้องต้องใช้ต้องใช้ใชวิจารณญาณหรือใช้เราเรียกว่าความฉลาดของเราเนะี่ยที่เราจะต้องคอยสังเกตสังการวา่ทำอย่างนี้มันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เรื่องแนละ้วต้องลองอีกแบบแล้วว่า อ, อะไรอย่างเงี้ย จะทําปำวิธีที่จะใช้ปัญญาิจารณาเรื่องของความสวยงามของการติดหรืติดความสวยงามของตอนเองนะคบใช้มระสุภาพเหมือนกับความสวยงามคนอื่นหรอเปล่ก็ดูเวลามันเราแก่เป็นไงบ้าง <c oughs> เวลาผมหงอกเวลาหนังเหี่ยวมันไม่เหี่ยวแล้วมันจะไม่แก่เลยวใช่ไหมดูของดูของแม่ของยายเราไว้เป็นตัวอย่างก็ได้ ต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนแม่เหมือนยายเราน่ะใช่ไมก็ดูแบบเดียวกันดูความแก่ความเจ็บความตายร่างกายนี้มันเป็นของสวยงามทั่วคาวเหมือนดอกไม้ให้เราเราใช้ดอกไม้เป็นตัวอย่างดอกไม้มันก็มีจุดหนึ่งที่มันจะเบกบานสวยงามแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็เช้ามันก็เหี่ยวมันก็ดกับเลย เป็แต่ร่างกายเรามันช้ากว่าดอกไม้เลยทําให้เราหลงคิดว่ามันจะไม่แก่เลยแต่มันต้องเป็นเหมือนดอกไม้มันจะต้องเขี่ยวเฉาขึ้นแต่ว่าเวลามันต่างกันดอกไม้เพียงสองสามวันแล้วเนี่ยเอามาฝากไว้ในใจกันสักสองสามวันแล้วเดี๋ยวมันก็เฉาแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งกรอบไปแล้วเน่าไปละร่างกายนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่มันช้าเนี่ยคนบางคนพิจรณาเอาดอกไม้มาเทียบกับร่างกายเขาเขาก็บรรลุได้ เหมือนกันทุกอย่างมันต้องมีวันเสื่อมมีวันเฉามีวันจบงแต่ว่าช้าเร็วต่างกันังั้นแต่สาราหลังนี้มันก็จะต้องพังช้าเร็วต่างกันต้นไม้รอบเราภูเขาหินโอกนี้ทั้งโลกมันก็จะต้องพังเชื่อไหมมันมันไม่ได้อยู่อย่างนี้ไปตลอดหรอกโลกนี้ทั้งวันหนึ่งมันก็จะระเบิดแื่วแตกเป็นเสี่ยงๆไปเพราะเสี่ยงที่ยึดมันไว้มันจะไม่มีมันหมดกาลังลงมันก็แตกไป ยิ่งมนุษย์เรามาช่วยทําลายด้วยมันยิ่งสิน้ํามันที่เราดูดขึ้นมาเนี่ยเยอะๆ <c oughs> เดี๋ยวข้างล่างมันพองมันก็ซุดลงไปแล้วพอมันซุดมันก็มีปัญหาน้ําเนื้อมัน้ามาวุ่นวายกันหมดดีไม่ดีเดี๋ยวก็น้ําท่วมโลกใหม่เนี่ยมันทุกเสียงทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการเสื่มระดับไปในที่สุดแต่มีอย่างเดียวที่ไม่เสริมไม่ดับก็คือใจเรา ถ้าโลกนี้ไม่มีที่อยู่ไม่มีมนุษย์อยู่มันก็ไปหาโลกใหม่ที่มีมนุษย์อยู่ไปเกิดใหม่โลกนี้อาจจะไม่ได้เป็นโลกแรกที่เรามาอยู่ก็ได้เราอาจจะเคยอยู่โลกอื่นมาก่อนแล้วโลกอื่นที่เราเคยอยู่มันหมดสภาพไปไม่สามารถสนับสนุนชีวิตได้เช่นดาวังคารหรือพระจันทร์นี้มันไม่มีบรรยากาศที่จะทําสนับสนุนชีวิตได้แล้วก็มาหาโลกที่มีบรรยากาศที่จะสนับสนุนให้สิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นมาได้แล้วเราก็มาจับจองครอบครองเป็นเจ้าของ แค่นั้นเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาย้ายไปย้ายมาเขาเรียนมาเวียนไหว้ตายเกิดอย่างเนี้ยไม่มีอะไรถามเลยก็ที่หลวงพ่อเทศมาพองโคก็ปฏิบัติเียอะอดีขอให้ปฏิบัติไปเถอะต่อไปก็ได้เมื่อก่อนเราก็เหมือนโยมอะครั้งแรกเราก็ได้หนังสือธรรมะมาอ่านไม่เคยปฏิบัติมาก่อนั เพระแล้วมันก็เริ่มเข้าใจว่าต้องทําอะไรก็ลองทํำดูพอทําดูมันก็ได้ผลได้ผลมันก็จะอยากจะทําให้มากขึ้นมากขึ้นมันอยู่ที่การกระทํานะอยู่ที่การศึกษาเบื้องต้นก็ต้องรู้ก่อนว่าต้องทําอะไรเมื่อรู้ว่าต้องทําแล้วก็ต้องทําแล้วมันก็จะก้าวหน้าไปก็ต้องทีมีชาวต่างชาติมาก็พูดภาษาอังกฤษไอังทีก็พากฝรั่งมาบ้างโยนมาบ้าง เราอยากจะรู้ก็พูดภาษาอังกฤษแลยก็ฟังไปเป็นภาษาอังกฤษเลยเข้าใจง่ายเพื่อนนะภาษาอังกฤษเลยอยู่ใกล่อของปาร์ทครับบรสษัทนี้คือของปารกทห์สร้างยอดน้ำมันแล้วก็มีโจ๊กเกใตแล้วก็มีพวกเอ่อให้ใกับบรษยีดีเดชันพนักงานสิบพอะไรอย่างเงี้ยครับงนี้จสร้างความผูกพันพนักงานก็เลยเป็นโครงการของของสายงานเราใช่ก็ดี ให้พนักงานมาได้ยินได้ฟังธรรมมากธรรมะนี่ถ้าได้ฟังธรรมที่แท้เหมือนมีประโยชน์มากถ้าไปเจอธรรมแบบเปลือกนี่ฟังแล้วมันไม่เห็นมันไม่ประชับใจเดี๋ยวนี้มีส่วนใหญ่ังมีแต่เปลือกไม่ค่อยแสดงแก่นกันสาที่มาเป็นสายช่าเป็นทางด้านวิศวะเป็นส่วนมากวิศวะนักวิทอาศาตร์นี่จะชอบธรรมมากเพราะธรรมะนี่เป็นเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วก็เป็นวิศวะก่อนที่จะมาบวช แล้วก็จบโยธางนะที่อเมริกาที่แคลิฟอร์เนียแต่แต่ก็ไม่ได้ทำงานนะพอไม่ได้ทำมากก็เลยมาบวดดีกว่าเอาล้วนะอ่าน อ, อ, อ, อนุโมธนาไม่ได้เลยอนุโมทนานเนอะ เอาใจเขานะถ้าอยู่ด้วยกันอยากจะอยู่ด้วยกันต้องเอาใจกันถ้าเอาใจเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเกินสิบห้าจะสิบห้าสิบหกปีแล้วละอ่าดีรู้รู้ใจกันแล้วนะอ่าดีต้องให้อภัยกันอย่าอย่ากดเคืองกันมีการผิดพลาดบ้างอยู่ด้วยกันเข้าใจผิดบ้างอะไรอ่าคุณต่อถามปัญหาได้เลย ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางผู้ชมผ่านทาง Facebook Live นะครับคำถามจากคุณกิติรัตน์นะครับหากว่าเราทำบุญกับพระที่ยังคองผ้ากาสาวพักอยู่แต่พระรูปนั้นได้ขาดจากการเป็นพระแล้วประราชิกเราจะได้บุญไหมครับถ้าได้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ อ, อ๋อมันได้ตั้งแต่อตอนที่เราทำแล้วล่ะ เราทำปุ๊บเราก็ได้ปั๊บเลยคือความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นจากการเสียสละนี่มันก็จะเป็นบุญแล้วมันก็จะฝังอยู่ในใจเราไม่ว่าคนที่รับแล้วตายไปหรือเปลี่ยนไปเป็นอะไรไปไม่เกี่ยวกับเราแล้วนอกจากเราไปยุ่งเองเราไปคิดเองแล้วไปสงสัยขึ้นมาเองแสดงว่าเราไม่เข้าใจหลักของการทำบุญว่ามันไม่ได้อยู่ที่บุคคลการทาบุญอยู่ที่การเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของที่เป็นของเราให้แก่ผู้อื่นไป เราสละตัวนี้ได้เราก็ได้บุญใครจะรับไม่สําคัญแม้แต่ให้หมาให้ใครก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลานี้ก็ได้บุญเหมือนกันนั่นมันไม่ได้อยู่ที่คนรับอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การให้ของเราอยู่ที่การเสียสละของเราเพราะเั็นเราได้ปล่อยวางเราไม่ไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์ถ้าเรายึดติดเราไม่ให้เวลาเราสหายเวลาถูกขโมยไปเราจะทุกข์มาก คนที่ไม่ทําบุญเนี่ยถึงมักจะทุกข์มากกว่าคนที่ทําบุญเพราะเวลาคนที่ทําบุญเสียของไปถูกขโมยไปเขาบอกเออมันก็เหมือนกับทําบุญแล้วะ่ะมันเอาไปก็ดีเราไม่ต้องไปถึงวัดมีคนมารับถึงที่บ้านแเราอ่ามันก็มีความสุขได้แต่คนนี่ไม่เคยทําบุญหวงข้าวหวงของนี่พอใครมาขโมยอะไรนิดหน่อยหน่อยโอ้เป็นฟืนเป็นไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะหวงไม่ยอมให้ใคร ในการทําบุญนี้ทําเพื่อให้เราปล่อยวางความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่ในสักวันหนึ่งเราต้องจากมันไปอยู่ดีถ้าเราทําบุญแล้วเราจะจากไม่หวงแต่คนที่ไม่ไม่ทําบุญนี่หวงมากเวลาจะตายนี่ทรมานมากเสียดายอุตส่าห์ทํางานมาแทบเป็นแทบตายเก็บเงินเก็ บ, กบทองไว้แทบเป็นแทบตายนี่เดี๋ยวคนหนึ่งเป็นของคนหนึ่งไปหมดแล้วนะมันจะคิดอย่างนั้นนะ มันนั้ไม่สําคัญว่าใครรับแล้วคนรับรอบตายไปแล้วคนรับเปลี่ยนไปจากภาสกายเป็นโจรมันก็ไม่สําคัญไม่เกี่ยวกับเราแล้วคําถามข้อต่อไปจากคุณพรวิทยานะครับเวลามีสิ่งมากระทบให้เกิดความโกรธรู้ว่าโกรธแต่อารมณ์นั้นไม่ยอมหยุดควรพิจารณาเช่นไรให้หายโกรธทันทีเมื่อมีสิ่งมากระทบพยายามอยู่หลายครั้งก็เหตุของความโกรธก็คือความอยากของเราเอง เราอยากให้เขาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทําเราก็โกรธแล้วก็หยุดความอยากนั่นเสียว่าปล่อยเขาเขาอยากกระทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไปอย่าไปอยากให้เขาทาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธคําถามข้อต่อไปจากคุณนานะครับขอวิธีทําสมาธิห้ามกลางเสียงที่ดังมากตลอดเวลาเจ้าค่ะตอนนี้ทําสมาธิลําบากเจ้าค่ะเ อ, เอาที่อุดฟูมอุดสิไปทนกับเสียงมันทําไมออ ผมเคยแนะนำเจ้าโบไปเหมือนกันครับโบก็หาเลยอุดถูนัอ่อสบายเลยคำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณจิ๊บนะครับการไปบวชชีที่วัดพระอาจารย์ถ้ามีเวลาแค่สามวันจะบวชได้ไหมครับหรือต้องบวชชีอยู่ปฏิบัติจนครบเจ็ดวันอ๋อข้ให้ตั้งแต่สามถึงเจ็ดยังตามน้องสาม ที่ก็ให้ให้ให้อยู่อย่างตามสาร่งเพาะกลัวว่าจะมาใช้ที่เป็นโรงแรมวัดเป็นโรงแรมเพราะมันอยู่ใกล้เมืองท่องเที่ยวบางคนมันไม่อยากจะเสียค่าโรงแรมก็เลยมาข อ, อนอนวัดกันก็เลยบางครั้งวายังต้องอยู่สามวันแล้วห้ามออกจากวัดเวลาเข้าวัดแล้วไม่ให้ออกไปข้างนอกคือผมนั่งสมาธิไปจนถึงที่มีความรู้สึกว่า กายและใจมันคนละส่วนกันครับและรับรู้ความรู้สึกทางภายนอกได้หมดแล้วสักพักก็มีอาการหมุนหมุนที่หัวและตัดภายในจิตนะครับจิตหมุนหมุนครับร่างกายนั่งปกติเหมือนจะลงลึกหรือกําลังจะปิติครับแต่อยู่ดีๆกายก็ก็กลายเป็นทําให้เราต้องสังเกตและพุดโธ ก็มาแล้วก็มีอาการแบบนี้เบาๆประมาณสามรอบแล้วครับมาอยู่กับลมตลอดจนหยุดนั่งครับคือถ้ามันยังไม่สงบนิ่งก็ต้องภาวนาต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่กำลังปรากฏอยู่ถ้าเราไปสนใจเราก็จะไม่ได้ภาวนาเราก็จะไม่ได้ดูลมไม่ได้พุโทโธ มันก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปคือความสงบความนิ่งความว่างของใจคำถามข้อต่อไปจากคุณเอกภพนะครับผมมีเรื่องจริงเกิดกับตัวเองปีที่แล้วตอนนั้นผมนอนก่อนนอนผมท่องพุทโธสัดหนึ่งหูอื้อเหมือนเรามุดน้ำไม่ได้ยินเสียงอะไรทีนี้มองเห็นตัวเองเป็นสีฟ้าเรืองแสงไม่มีนิ้วมือนิ้วเท้าไม่ได้นั่ง ในพื้นตัวเบามากเหมือนลอยอยู่ปากฉีกยิ้มหุบไม่ลงสักพักพอคิดเรื่องอะไรหลายอย่างเข้ามาหูกลับมาได้ยินแล้วรู้สึกตัวเวลาตรงนั้นมาดูนาฬิกาผ่านมาส0นาทีแล้วผมก็นอนต่อแล้วท่องพุทโธอีกก็เป็นอีกจนมารู้สึกตัวนาฬิกาปลุกกระผมอยากทราบว่าคืออะไรครับ ก็คือการปฏิบัติของเราจะเป็นยังไงก็ผลมันเป็นอย่างนี้เห็นแต่ว่ามันยังไม่ได้ผลที่ควรจะเป็นผลที่เราต้องการจะเป็นจากการนั่งก็ให้มันสงบให้มันนิ่งให้มันว่างให้มันเป็นอุเบกขาถ้าแสดงอย่างนี้แสดงว่าสติเรายังไม่ดียังไม่สามารถควบคุมจิตใจมันมันก็เลยออกฤทธิ์ออกเดชให้เราดูอะไรต่างๆอาการต่างๆนี่มันออกมาจากใจของเราเองใจที่ไม่มีสติควบคุมมัน ถ้ามีสติควบคุมมันแล้วมันก็จะสงบแนงคำถามข้อต่อไปแต่คุณพีภูจังนะครับวันก่อนท่านตอบผู้ถามว่าบําเพ็ญภาวนาแต่ไม่สามารถช่วยอาการป่วยของบิดาได้กรรมใดกรรมมันที่ฉันสงสัยว่าการเผยการแผ่เมตตาหลังสวดมนต์จะมีประโยชน์อย่างไรเจ้าคะไม่มีประโยชน์เลยเพราะการแผ่เมตตาหลังจากสวดมนต์นี่เป็นการซ้อมแผ่เมตตา คือเราต้องคอยเตือนใจสานใจว่าเราต้องแผ่เมตตากับคนและสัตว์ทั้งหลายเวลาเราไปเจอคนกัตริย์นั่นแหละถึงเป็นเวลาที่เราจะแผ่เมตตาเวลาไปเจอใครมีขนมก็แจกเลยเอาขนมไปกินกันมีเงินก็แจกก็ได้นี่เรียกว่าแผ่เมตตาแต่เวลานั่งสวดมนต์สัพเพสั ต, ตานี้มันไม่ได้แจกเงินแจกทองมันไม่ได้แจกข้าวแจกของมันจะไปแผ่อะไรละ่ะคนรับก็ไม่มีเะฉะนั้นเวลา แผ่เมตตาตอนสวดมนต์นี่มันเป็นการทำการบ้านเป็นการซ้อมเป็นการสอนใจว่าเราต้องใจกว้างเราต้องมีไมตรีจิตต่อทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์แม้แต่คนที่เขาทำให้เราเสียใจเราก็ต้องแผ่เมตตาให้ได้แล้วเราจะไม่โกรธเขาอันนี้เป็นการสอนใจพอเราไปเจอเหตุการณ์เจอคนเราก็แผ่เมตตาให้เขายิ้มกันทักทายกันสามสารทุกข์สุขเดีกัน ไม่ใช่เจอหน้ากันกระเบื้องตึงสายกันแยกเขี้ยวสายกันแต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่สามารถแผ่ได้และยังไม่มีกําลังพอจะแผ่หรือไม่เหมาะกับการแผ่แล้วก็ใช้ใ ช, ใช้อุเบกขาแทนทําใจเฉยๆเพราะถ้าไปแผ่ไปคุยเดี๋ยวเกิดเขาหาว่าไปไปยั่วยุเขาก็ได้เราก็อย่าทำํำเราก็เฉยๆไม่ต้องไปแสดงอาการดุร้ายหรืออะไรกับเขา คำถามข้อต่อไปจากคุณนพพรนะรการฝึกสมาธิในทางที่ชอบกับฝึกในทางที่ถนัดควรเลือกฝึกทางใดถึงจะเหมาะสมและก้าวหน้าขอรับก็ทางไหนที่ได้ผลนะทางไหนได้ผลเราทางนั้นนะไม่น่าจะถามเลยของง่ายง่ายอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่คนปฏิบัติแล้วเขรู้ อันไหนมันได้ผลย่ออนนั่นแหละคำถามข้อต่อไปจากคุณเท่าลงนะครับผมต้องการทราบว่ากรรมเก่าจากอดีตชาตินั้นมันจะชำระล้างได้ไหมครับและกรรมที่เกิดในปัจจุบันจะส่งผลอย่างไรต่อเราบ้างครับและเราจะล้างกรรมได้อย่างไรครับกรรมที่เราทาแล้วไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วนี้เราลบล้างมันไม่ได้ มันจะต้องแสดงผลของมันแล้วมันถึงจะหมดไปทีก่การที่มันจะแสดงผลได้มันก็ขึ้นอยู่กับหลายเหตุปัจจัยหลายประการด้วยกันเช่นบาปที่เราทําไวน้นี่ถ้าเราทําบุญไว้มากกว่าบาปเนี้บาปมันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะแสดงผลได้หรือเช่นเดียวกับบุญถ้าบุญเราทําไว้แล้วบังผลก่อนอย่างนันมันมีนม ผลของบุญหรือบาปนี่เกิดขึ้นช้าแล้วเลยๆหนักเบามันไม่เหมือนกันบุญหรือบาปบางอย่างมันหนักมันก็สแสดงผลเร็วบางอย่างมันเบามันก็สแสดงผลช้าหรือขึ้นอยู่กับเหตุการณ์อย่างอื่นที่มามาขัดขวางไม่ให้มันสแสดงก็มีแต่มันต้องสแสดงแน่ๆยกเว้นว่าไปถึงนิพพานแล้วบุญกับบาปทั้งหลายที่ได้ทำไว้ก็จะหมด อนุภาพไม่สามารถที่จะไปส่งผลให้กับจิตที่หลุดพ้นจิตที่ไปถึงพระนิพพานแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณสุรินะครับในขณะรมสมาธิเกิดความคิดขึ้นเมื่อเราเห็นความคิดคิดนั้นออกเจ้าคะรีบตัดเลยการภาวนาไม่ค่อยหยุดความคิดเราถึงต้องใช้พุโทโธรือใช้ลมเป็นที่ดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอมันไปคิดจะแสดงว่ามันเผลอละ มไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้อยู่กับลมนะก็ต้องกลับมาที่ลมแล้วกลับมาที่พุโทโธครับคําถามจากคุณโสภิตนะครับทุกวันดิฉันกลับแม่บ้านจะทําอาหารไม่ใส่บาตรทุกวันแต่บางวันดิฉันไม่ได้ใส่บาตรเองให้เด็กๆใส่กันดิฉันจะได้บุญไหมคะได้ถ้าเป็นของเราของที่เป็นของเรานี่เราฝากคนอื่นทําเราก็ได้บุญเหมือนกัน คำถามจากคุณสิริปยานะครับคำว่าอุทิศบุญอุทิศตอนไหนคะแล้วอุทิศอย่างไรถึงเรียกว่าถูกต้องตอนที่เราทําบุญเสร็จเช่นพอเราใส่บาตรเสร็จเรามีความรู้สึกดีจะส่วนนั้นไปทันทีถ้าเรารอทิ้งไว้เดี๋ยวเราไปทํางานทําการเราไปรับอารมณ์ต่างๆเข้ามาความรู้สึกที่ดีนั่นมันจะหายไปเราก็จะไม่สามารถอุทิศบุญไปได้แนละ้วเพราะมันถูกอย่างอื่นกบไป ยกเว้นว่าเราพยายามนึกถึงมันว่าเออมาื่อเช้าเราใส่บาตแล้วเรามีความรูส้สร็จดีเราก็ขออุทิศบุญส่วนนี้ไปให้กับเขาได้ก็ยังได้อยู่แต่ควรจะทําตอนที่เราทําเสร็จเลยมันจะได้ไม่มีอะไรมาลบล้างมากบไว้ถ้าเราปล่อยไว้เดี๋ยวเราไปทํางานทําการไปเจอคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเขามาทําอารมณ์ให้เราเกิดไม่ดีขึ้นมาอารมณ์ดีๆที่เราจะอุทิศมันไม่มีแลเราต้องมานั่งคิดใหม่ คิดถึงอารมณ์ดีที่เราได้สร้างไว้ตอนเช้าถึงจะอุทิศได้คําถามข้อต่อไปจากคุณโยมโจ้นะครับจิตของผมมันชอบชอบคิดแต่อดีตเช้าขึ้นมาก็คิดมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็ใช้พุโทโธหยุดมันพอลืมตาขึ้นมาก็ทุ่งท่องพุโทโธไปเรื่อยๆไม้ว่ากําลังจะทําอะไรอยู่ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุโทโธไปอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวก็พุโทโธพุโทโธไป ทุตทรนี่เป็นเหมือนเบรกของใจถ้าเหยียบเบรกแล้วมันใจมันก็จะไม่คิดเหมือนการรถยนต์ถ้าเราเหยียบเบรกรถมันก็ไม่มันก็ไม่วิ่งถ้าเราปล่อยเบรกมันก็จะวิ่งคำถามข้อต่อไปจะกคุณเหมียวเหมียวนะครับสงสัยว่าบ้านของเราจะมีวิญญาณอื่นเข้ามาในบ้านได้หรือไม่ <c oughs> เพราะมีคืนหนึ่ง <c oughs> ลูกชายเห็นเงาดำๆมายืนตะโกนใส่ตัวโยมและโยม แต่ยอมหลับค่ะไม่เห็นอะไรอืมก็ไม่ต้องไปกังวลห่ะกนะวิญญาณเขาก็อยู่ทั่วไปทุกแห่งทุกคนเ่ะ่ยถ้าเราไม่มีอะไรกับเขาเขาก็ไม่มีอะไรกับเราหรอกถ้าเรามีเขาก็อาจจะมีอะไรกับเราก็ได้ถ้ามีเราก็อ่แผ่เมตตาไปก็ได้บอกว่าถ้าอยากจะอยู่ก็อย okay um ู่นะเราเป็นเพื่อนกันเอเราบางเป็นมิตรกันดีกว่านะ แต่ถ้าเขาไม่ยอมเขาจองเวรจองกรรมเราแล้วก็ต้องปรงอันนี้จังไปว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอันนี้เป็นวิบากกรรมของเราคำถามข้อต่อไปจากคุณศิวกกรนะครับเวลาเมาจิตอยู่ที่ไหนครับ <c oughs> แล้ว <c oughs> แล้วเราสามารถสมาธิตอนนอนได้ไหมครับ <c oughs> เวลาเมาก็เหมือนเวลานอนหลับนะจิตก็อยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าจิตมันไม่มีความสามารถที่จะ ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เทานั้นเองเวลาหลับเราก็ไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้แต่เวลาเราฝันนี่มันก็ฝันไปตามตามเรื่องของมันตอนนั้นเราไม่มีสติที่จะไปยับยั้งมันเหมือนกับเวลาเราตายไปก็เหมือนเราไม่มีสติวิบากกรรมมันจะเป็นตัวพาจิตเราไปแต่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่ถ้าเราฝึกสติไว้เราก็สามารถที่จะควบคุมมันได้ และถ้าสมิทธสติมันมีกําลังมากแม้แต่เวลานอนหลับมันก็ยังควบคุมได้อยู่ในระดับหนึ่งบางทีคนที่มีสติมากๆจะไม่ค่อยฝันกันเลยคําถามข้อต่อไปจากคุณแฮปปี้โจนะครับจิตมีมานะไม่ยอมรับคําสอนต้องทําอย่างไรครับกระผมมันไม่ยอมรับแล้วยาให้ทำยังไงไม่ยอมรับก็ไม่รับเลย <laughs> ก็เป็นพวกเขาเรียกวัวใต้น้ำบัวที่จะต้องเป็นอาหารของปูของปลาไปจิตแบบนั้นมันจะไม่รับคำสอนของใครก็ให้นึกถึงประโยชน์ที่เราพลาดที่เราควรจะได้รับจากการได้รับคำสอนเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอดแล้วคำสอนของพระเจ้านี้เป็นเหมือนขอความรู้ของคนตาดีถ้าเราอยากจะรู้สิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเราก็ต้อง ฟังคำสอนของผู้อื่นของพระพุทธเจ้านั้นก็อยู่ที่เราว่าเราฝ่ายรู้หรือไม่เราอยากจะฉลาดขึ้นหรือไม่ถ้าเราอยากฉลาดขึ้นเราก็ต้องฟังผู้อื่นเพราะเรายังไม่ฉลาดเรายังไม่เก่งพอที่จะไม่ต้องฟังคำสอนของผู้อื่นถ้าเรายังมาเกิดอยู่แสดงว่าเรายังโง่อยู่ถ้าเราไม่มาเกิดแล้วนั่นแหละแสดงว่าเราฉลาดแล้วงนั้นถ้าเราอยากฉลาดเราอยากที่จะพัฒนาชีวิต จ, จิตใจของเรา ให้มีความสุขความเจริญมากขึ้นเราก็ต้องฟังพระพุทธเจ้าฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของพระอาจารย์ตถาวกทั้งหลายต้องใช้ปัญญาใช้เหตุผลสอนใจมันถึงจะยอมรับได้อยู่ๆจะไปบังคับให้มันฟังมันไม่ยอมรับอ่ะแต่ถ้ามันรู้ว่าฟังแล้วจะได้ประโยชน์มันก็จะยินดีคําถามข้อต่อไปจะคุณเพนนะครับฝึกนั่งสมาธิทุกวันมาหลายปี ในความสงบที่ทำได้มีสองแบบคือสงบแล้วมีความสุขความสงบแบบบอกไม่ถูกพยายามประคองให้อยู่นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ไกับความสงบอีกแบบคือเงียบแบบนิ่งไปเลยแต่รู้ตัวอยู่ตลอดแต่ไม่มีร่างกายตัวเราอยู่อีกแล้วจนบางครั้งนั่งยาวแไม่มีความรู้สึกมีความสุขมีแต่ความสงบเงียบเท่านั้น ความสงบแบบไหนคือความสงบแบบเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสงบแบบนิ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเฉยๆแต่มันก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นสุขไม่เกิดจากปิติคุณชาญชัยนะครับผมปฏิบัติภาวนาถึงจุดที่ลมหายใจน้อยลง แต่ทำไมมันไม่วูบดิ่งลงไปเหมือนครั้งก่อนครับผมคาอยู่ที่ตรงนี้ตอนเราไปคาดถึงผลที่เราเคยได้ในอดีตเราอยากจะให้มันวูบเหมือนคราวที่แล้วมันเลยไม่วูบเราต้องไม่รู้ไม่ชี้ต้องลืมเรื่องผลที่ เ, าเราเคยได้รับมาให้เราอยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับลมดูลมต่อไปมันจะเป็นยังไงจะวูบไม่วูบก็ไม่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่าไปอยากให้มันวูบพอมันอยากแล้วมันจะไม่วูบ คำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณชื่อโซ่นะครับการทำบุญจะช่วยให้เป็นเกราะป้องกันบาปที่เราได้ทำได้ไหมครับมันก็มีส่วนช่วยเราได้เพราะว่าการทำบุญนี้มันก็จะสามารถที่จะชะลอผลของบาปได้ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญมันก็จะส่งผลก่อนบาปมันก็ยังจะต้องรอคิวไปก่อน แต่ถ้าเวลาไหนที่บาปมันมีกําลังมากกว่าบุญเวลานั้นบาปมันก็จะส่องผลขึ้นมาทันทีฉั้นพยายามทําบุญให้มันมากกว่าบาปไว้ก็แล้วกันคําถามข้อต่อไปจากคุณลุ่งเพชรนะครับโยมภาวนาดูลมหายใจเกิดความรู้สึกที่ปลายจมูกบางทีก็อยู่ที่ริมฝีปากบนโยมจะต้องปฏิบัติต่ออย่างไรให้ดูอยู่ที่จุดเดียวจนไหนก็ได้ที่มันชัด ลมตรงไหนมันชัดก็อยู่ที่ตรงนั้นให้เกาะติดอยู่กับลมเพยงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไหลไปกับกระแสความคิดให้ดูไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปคาดอย่าไปอะไรทั้งนั้นแล้วเวลาผลมันเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นของมันเองคำถามข้อต่อไปจากคุณพอล่านะครับทุกครั้งหลังทำบุญแล้วเราจะกรวดน้ำและอุทิศบุญให้กับคนที่ชอบมาทะเลาะกับเรา ที่มีชีวิตยอยู่นี่เรากดน้ำให้เขาไม่ได้ตอนที่มีชีวิตยอยู่นี่เราต้องไปเจอเขาแล้วก็เอาข้าวเอาของไปให้เขาไปขอขามาลาโทษเขาก็อาจจะอาภัยให้เราได้ถ้าสิ่งที่เราให้เขาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขาได้แต่ถ้ายังยังไม่สามารถชดใช้สิ่งที่เขาเกิดความเสียหายกับเขาได้เขาอาจจะยังไม่ให้อาภัยก็ได้ อย่างที่เขาขึ้นศาลกันก็เพื่อที่จะไปไปตกลงไประงับความโกรธเกลียดกันถ้าเขาเรียกร้องเท่านี้แล้วเราจ่ายเขาไปมันก็จบเขาก็จะไม่มาโกรธมาเกลียดเราแต่ถ้าเรายังจ่ายไม่พอเขาก็ยังจะโกรธจะเกลียดเราอยู่งั้นระหว่างคนที่มีชีวิตอยู่นี้เราอุทิศบุญไม่ได้เราต้องอุทิศเงินแทน <laughs> <laughs> ชดใช้ค่าเสียหายให้เขาไป ไปชนเขาไปชนครับรถเขาเสียหายเแล้วก็รับว่าจะซ่อมให้เอถ้าเราซ่อมให้เขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดไม่ค่าค่าแต่ถ้าไม่ยอมซ่อมให้ไปว่าเขาผิดอย่างเดียวไม่ไม่ยอมรับผิดเขาก็ไม่ยอมเขาก็ต้องไปฟ้องศาลอันดับแรกเลยคือต้องยอมรับผิดก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ถึงจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้ถ้าเราผิดแล้วก็ต้องรับผิด แต่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ผิดแต่เราอยากจะให้มันจบก็อะยินดีที่จะซ่อมให้ก็ได้ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานไปถึงแม้เราไม่ผิดยทํายังไงก็ได้เขาแฮปปี้ก็แล้วกันแล้วแผ่เมตตาทําให้เขามีความสุขเรียกแผนเมตตาแล้วก็าแฮปปี้เขาพอใจเขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทในมางทีความผิดความถูกก็อย่าไปถือเป็นประเด็นสําคัญเพราะมันจะทําให้ไม่ยอมกัน พวามไม่ยอมกันมันก็จะมันก็จะห้ามหันกันจะต่อสู้กันเห็นบางทีถึงแม้ว่าเราเราถูกแต่เขายืนยันว่าเราผิดเอา้ายอมว่าผิดก็เพื่อจะได้ให้มันยุติเขามายุติธรรมไงก็ยอย่างหะยุติธรรมก็คือให้มันหยุดปัญหาทะเลาะวิวาทกันเมื่อเขาว่าเขาถูกโอเคยอมรับผิดทั้งๆ ท, ที่เราไม่ผิดแล้วไม่เป็นไรขอให้เลิกกันไป จะเรียกร้องค่าสียหายเท่าไหร่เรามีจ่ายให้ได้เอาไปเลยจะได้มันจบไปนี่คือวิธีแก้ปัญหาแบบธรรมะไม่ได้เอาแพ้เอาชนะกันเสมอไปเราต้องการยุติกรณีพิพาทกันคำถามข้อต่อไปจากคุณพิม์ใจนะครับฝึกนั่งสมาธิที่วัดแห่งหนึ่งแล้วมีเสียงแทะเหมือนเสียงกลต้องแก้ไขยอย่างไรคะ ของขายของเราเลยของเราแสดงว่าเราหลับเลยของคนอื่นก็ไา่จางน่าจะเป็นของคนอื่นมากกว่าไม่แน่แต่อาจจะของเขาได้แต่ของตัวเองก็แสดงว่าตัวเองหลับถ้าของคนอื่นก็อย่าไปสนใจเอคําถามข้อต่อไปจากคุณพัชรานะครับการเจ็บป่วยหนักในชาตินี้มาจากวิบากกรรมในชาติก่อนๆการที่เราภาวนาจะช่วยเราให้ปล่อยวางและไม่ลดทอนกรรม ไม่ดีที่เคยทํามาใช่ไหมคะคือถ้ามันเป็นผลของวิบากกรรมที่เราทํามาเมื่อมันแสดงแล้วมันก็จะหมดไปเองดังนั้นส่วนเวลาเราภาวนานี้เราช่วยลดความทุกข์ในใจของเราเพราะการภาวนานี้จะเป็นวิธีที่เราจะปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความเจ็บของร่างกายแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ทางใจ ซึ่งมีความรุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายนี้มันเป็นวิบากเป็นผลของกรรมที่เราทำมาในอดีตที่มันต้องเกิดขึ้นและมันกำลังส่งผลอยู่แต่เราสามารถที่จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเรารู้จักวิธีภาวนาคำถามต่อเนื่องจากโยมโจ้นะครับมีวิธีใช้กรรมจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไงครับพระอาจารย์ ซึ่งตอนนี้ไม่สามารถติดต่อเขาได้ใชรรมแวต่เช่นเบนนี่เขาอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์ถ้ายังติดต่อไม่ได้ก็ก็แขวนไว้ก่อนก็แล้วกันจนกว่าจะติดต่อเขาได้ไปทําบุญแทนก็ไม่ได้ไมได้มครับเขาต้องต้องใช้เขาไม่ใช่คนอื่นไม่ได้หรอกคาถามจากคุณจะเด็ดนะครับสมมุติว่าพระท่านขาดจากความเป็นพระแล้วเป็นพระผู้ใหญ่ แล้วพระลูกวัดที่อยู่ด้วยจะผิดวินัยข้อใดบ้างและอยู่ด้วยกันอย่างด้วยกันได้ไหมก็ต้องอยู่แบบคารวาดกับพระถึงแม้ว่าจะเป็นพระอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสพอท่านราศิขาไปแล้วท่านก็เปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นพระมาเป็นคารวาดญาติอยู่ท่านก็ต้องปฏิบัติตัวเป็นคารวาดญาติอยู่ก็ต้องกราบพระที่เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านตามธรรมเนียม พอได้ได้เปลี่ยนสถานาภาพของตนไปแล้ว <c oughs> อยู่ด้วยกันได้แต่ต้องอยู่ตามแบบฉบับที่เขากำหนดไว้คำถามจากคุณเกียงไก่นะครับการบรรูุพระอริยะผลในแต่ละขั้นจิตต้องดำเนินผ่านวิปัสสนาญาณทั้งสิบหกขั้นในทุกระดับพระอริยะใช่ไหมครับรวมทั้งโคตรภูญญาณในแต่ละขั้นด้วยใช่ไหมครับ การบบรับรรลุภัฒยธรรมแต่ละขั้นนี้ต้องต้องตัดสังโยชน์ให้ได้ของแต่ละขัน้นขั้นโสดาบันก็มีสมข้อคือสกายทิฏฐิศีละพะตปรามาวิจิตกิจชาขั้นของพระอนาคามีกับพระสกิรดาคามีก็ต้องละสองคือกามราคะกับปฏิฆะขั้นของพระอรหัานต์ก็ต้องละงงาาางาาหล คือรูปราคะอารูปราคะมานะอุทัจจะและอวิชชานี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่กิดขวางการเป็นพระอริยเจ้าถ้าทำลายสิ่งกิดขวางเหล่านี้ได้ก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆไปส่วนรายละเอียดว่าจะสิบหกยานสิบอะไรก็ น, นั้นก็เป็นเรื่องของความรายละเอียดที่ผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องสนใจ ให้สนใจแค่เป้าหมายหลักก็แล้วกันว่าเรากำจัดสังโยชน์เหล่านี้ได้หรือเปล่าคำถามข้อต่อไปจะคุณมันอยู่ที่ใจนะครับเมื่อเราเห็นอารมณ์เห็นจิตบ่อยๆเฝ้าดูจิตอยู่ตลอดรู้ทันอารมณ์เห็นเกิดดับบางครั้งเวลาเรานั่งอยู่เฉยๆรู้สึกเย็นตรงอกมากเหมือนเปิดแอร์ไว้ข้างในการปฏิบัติของลูกไม่ค่อยได้นั่งสมาธิแต่จะมีสมาธิเวลาทางาน ตอนเดินไปมาและตอนนอนอยากให้ท่านช่วยแนะนำด้วยค่ะถ้าไม่ได้นั่งสมาธิจิตมันจะไม่รวมมันจะนมันจะไม่ได้พบกับความสุขที่สูงสุดที่สุดยอดของความสุขต้องเจอตอนที่จิตรวมเป็นสมาธินอกนั้นแล้วก็เป็นความสุขที่ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดถ้าอยากจะ ให้ให้จิตรวมก็ต้องนั่งหลับตาแล้วก็มีสติตดจออยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจครับวันนี้น่าจะหมดคำถามแต่เพียงเท่านี้นะครับอาจารย์ก็ดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่นี่และที่บ้าน นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเ<ด>อิดแผนเถอะหน่อยดูหน้าดูตามาจากไหนมาจากกรุงเทพเหรอ ด้ครั้งหก็เลยชวนเพื่อนมาแต่ว่าจะฟังซีดีกับดูผ่าเคสรูปปัจจัยมีโอกาสก็เลยมาเป็นไงดีไหมสองชั่วโมง ด, ดีก่อนดูดีก่อน <c oughs> ด, ดูหนังเลยดีกว่าไ <c oughs> <c oughs> ด้สาระประโยชน์มากกว่านะดูหนังก็ได้แต่ความเพลิดเพลินความมันเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทิ้งไว้แต่ความอยากดูใหม่ มีงดตั้งคําถามแล้วนะครับวันนี้จบแล้วนะครับอาจารย์เหนื่อยครับคนถามก็เหนื่อยครับยังไม่ยอมตัดเด็กอะยังเขาก็ดูไปเรื่อยๆมาแทนตอบไ้เลยไม่แต่ใ้รอบนลยมีอะไรหรือเปล่ายังไม่มีครับอมาตังนะใส่บากล็อือมาทิศตะวันออกเสร็จกล้วก็ พอส่งเงินเสร็จก็ขึ้นมาพอดีพอดีเห็นในเฟซบุ๊กนะฮะว่ามีสดนะฟังชัดดีครวอยากจะมาเห็นของจริงนะที่อะาอธิบายเรื่องจิตกับใจะครับของเมื่อวานนี้มของวันนี่ของวันี้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะไม่รู้รายละเอียดก็จะสับสนกันไป แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะไม่สับสนจะไม่สงสัยจะรู้ว่ากำลังพูดกันเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไร<ม>การศึกษานี้เป็นความเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะไปปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป<ม>ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่รู้จักแนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องเดี๋ยวก็ไปปฏิบัติแบบผิดผิดถูกๆูผลมันก็จะเกิดเกิดบ้างไม่เกิดบ้าง หรืออาจจะไม่เกิดหรืออาจจะหลงทางได้ยังต้องพยายามศึกษาจากผู้รู้จริงๆทางนี้ถ้าไม่รู้จริงๆก็หลงได้ก็ผู้รู้ที่รู้จริงๆก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าหาพระที่รู้จริงๆไม่ได้ก็เอาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยมาเป็นหลักก่อนศึกษาพระสูตรต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนแล้วเราจะได้ไม่หลงทาง แต่ <c oughs> ถ้าได้จากคนที่มีชีวิตอยู่ก็จะสามารถตอบปัญหาต่างๆที่เราไม่เข้าใจได้บา <c oughs> งทีอ่านแล้วลงทีเราก็ยังไม่เข้าใจความหมาย <c oughs> ก็ต้องอาศัยผู้ที่ได้ปฏิบัติแล้วรู้ความหมายแล้วว่าเป็นอย่างไรให้ช่วยบอกเราอีกทีหนึง่ง <c oughs> อ่าแล้วนะพอแล้วไปตัดได้แล้ว